الله نور السماوات والأرض. م ا َ ل نوره كمشكات فيها مسبح. مازل نوره كمشكات فيها مسبح. المسباح في ا ز ج ا ج ة الزجاجة كأن كوكب دري. كأنها ك ك ب د ر ي الزجاجة كأنها ك ك ب د ر ي ยูข้าดูนิสจากัดตินบาระกัดต زَيْتُونَ ب َ ا ر َ ك َ ت َ ز ي ْ ت ُ ن َ ت ل َّ ا ش ر ِْ ي َ ت ُ وَلَا غ َ ر ْ ب ِ ي َ ة ي َ ك ُ زَيْتُهَا ي ُ ض ي ُ وَلَوْلَا ت َ م س َ س ُ ه ن َ ي َ ن َُ ي ُ ا ي ُ ض ِ ي َ ل َْ ت َ م س َ س ُ ن َ نور على نور ي ه د الله لنوره م ن ي ش ي د الله ن و ر ما ي ش เร ل อิบ ا ل ล ا ل ل อัลอัม ي าล ل ินนัสวะลลาฮฺบิค و ลล ل ชาอิมอฺลีวะลลา ي ฺบิคุลลิชาอิมอฺ ي ีฟิบุยุตินอาดิน ه ัล تُرْفَعَ و َ ي ُ ذ َْ ر سبح لهم فيها بالغدو والآصال بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يده ه الله فلا مضلله وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن ل ا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله م بك الل أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت و إ ل ي ك ا ل ن مشور أعوذ ب ك ل م ا ت الله ا ل ت ا م ا ت من شر ما خلق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 Allahumma afini في بدني واعفني في سمي واعفني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه وربا نفسه وزينة عرشه وبدا كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมยามาสบันที่รักตั้งหลายเจ้าประหลัดลลอิม เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ سبحان หัวตาลาที่อัลลอฮ์ให้เรานอนหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วให้เราตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่บางคนนี่อัลลอฮ์เรียกจับลับไปแล้วตายไปแล้วนะครับพอตื่นนอนบนที่นอนเนี่ยให้นึกถึงอัลลอฮ์ให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ทลดีอหพยานะ Bagaima amatana wa ilaihin nusur, nakat pangan b e n g a n korban Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus ramluk dengan Allah. Pada pagi pagi ini, sebelum kita bangun, berdoa sekitar 19 doa. Nampak, atau sebutkan ramluk dengan Allah Fisrabah pada pagi pagi ini. สิบเาบาทและตอนเย็นอีกก็เหมือนการอ่านเหมือนกันแต่เปลี่ยนเช่นอัลลอฮุมะบิกะอัลบาห์นะพอตอนเย็นก็อัลลอฮุมะบิกะอัมไซนะวบิกะอับาหนะวบิกะนโมตวบิกะน حيا ไวไลกะลมาลอัลลอฮุมะอันตรบิลละอิลาห์อิลลาอันตะฮะลัตตานีปมาสิบาอาซึนบีนะครับได้สอนแล้วก็บรรดาอุลามะ ปกสาบายเงียบก็ น, นัำมาพยาใในชีวิตประจาวันกันทุกคนนะครับการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำให้หัวใจงามทำให้หัวใจสงบคนที่นึกถึงอัลลอ์แล้วก็มีตักวาต่ออัลลอ์เนี่ยมันดีหลายอย่างดีอย่างนี้เวลาเจอปัญหาหนักๆักมาเนี่ยรับได้นะได้ หรือไปเจอปัญหาที่ถูกอบถูกใจรับได้แบบไม่เสียคนไม่เสียตัวถ้าไม่มีตักวาเอาไว้ถ้าไม่นึกถึงอัลลอฮ์เอาไว้ก่อนนี่นะวันน้ไปเจอของดีๆหลายคนนี่ลืมตัวเลยนะไปเจอคนยกย่องให้เกียรติเลมหรือว่าไปเจอเงินแต่มาสักพันล้าน เสียคนเลยเพราะว่าหัวใจเนี่ยไม่เคยถูกหลอ่อหลอมกับอัลลอฮ์หัวใจไม่เคยโยงกับอัลลอฮ์หัวใจไม่มีการตักวาต่อรอเวลาเจอของไม่ดีหรือของดีเนี่ยเสียคนทั้งสองรายการนั่นแหละปฏิบั้นการตักวาต่อรอเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นยุ่นนะ่ะอัลลอฮ์เป็นเครื่องป้องกันที่ดีที่สุดนะครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้มีโอกาสได้อ่านอัลกุรอานนะครับ มาจะอ่านกุรานอย่างเดียวนะหาความรู้จะอ่านอลกรานเราหัมดุลิลละวันนี้เราทบทวนมาถึงสุรานูรแล้วก็ทบทวนกุรานเนี่ยที่ไหนที่บ้านของอัลลอฮฺ سبحانه และก็ต่ำสิ่งบรรดาสองบ้านนบีทาก็อย่างนี้แหละนั่งอยู่ในมัสยิดนี่นะครับแล้วก็นั่งซิครุลล้อไปเรื่อยๆในนั่งฟังศาสนาอ่านกุรานไปเดี๋ยวพอจบแล้วเนี่ยเวลาอิชรอคเนี่ยมัน พอดีตะวันขึ้นแล้วนี่นะให้นมาก่อนทั้งหญิงและชายนมาสองลักอาจก็ได้สี่ลั ก, กอาดก็ได้เรียกว่านมาะอะไรนะนมาตอิชรอกอิชรอกนี่แปลว่าตะวันขึ้นนมาดุฮาในเวลาอิชรอกผลบุญเท่ากับทำองค์รอกทำฮ a j ีมีบางคนถามว่าละยเยี่ยคนนี้เป็นฮ aji ได้ไหมเขาบอกเรียกไปเลย ผลละ บ, บุญเนี่ยเขาให้เท่ากับทมอมรอ ก, กับทหฮจีบางคนเ็เมื่อล้ยินตรงนี้แล้วก็ดีใจนะผมจะเรียกคนนี้ว่าฮยีได้ไั้มได้มีปัญหาเรียกไปเลยนะครับเอาวันนี้เรามาถึงอายาที่สสี่นะครับของสุรอ้อ น, นรูรสุรอ้อนที่ผ่านมาเนี่ยอลัลลอสั่งนะอย่าบังคับให้ ข้าพผู้หญิงของท่านเนี่ยหาเงินโดยค้าสวาสัสด์บงังคาผู้หญิงไปหาเงินไปทําซีนาไปค้าสวาดแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกับเจ้านายซึ่งวันนี้คนเขาทากันอยู่นะยังทํากันอยู่เนี่ยทางอิสลามเนี่ยเยียบไปแล้วนะ่ยแล้วก็ห้ามตั้งซ่องโสเพณีอิสลามสัง่งห้ามไม่มีแมงดา ไม่ให้ผู้ชายทําตัวเป็นแมงดาและไม่ให้ผู้หญิงทําตัวเป็นแม่เล้านะครับอิสลามเหยียบมัหมดแล้วแต่วันนี้ยังมีอยู่นเนี่ยคอทมนี่มีนะครับนี่อิสลามสอนนะครับและอีกเรื่องหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีอยู่ว่าหนึ่งที่ดีมากก็คือมาลุลลอทรัพย์สมบัติเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมด คนที่มีริสกี้กว้างขวาง ม, มีเงินมีทองมีที่ดินมีบ้านมีอาพาร์ตเมนต์ให้เช่าทั้งหมดเหล่านี้อย่าลืมตัวนะของฉันถ้าอ่านโคราอ่านี่ทนะไมกล้าพูของฉันเลยนะว่าตูหุมมิ ม, มาลินลลหินละลดีอาตากุมอยายะนี้สอนว่างไงนะสอนความคิดความรู้สึกเนี่ยทรัพย์สมบัติทั้งหมดเป็นของอัลลอ์ไม่ใช่ของท่านนะ เราเป็นแมเนจินต์ดีเรคเตอร์เองเป็นไรนะเป็นผู้จัดการทรัพย์สมบัติของอัลลอ์เหมือนกับทำหน้าที่เป็นผู้จัดการบริษัทอะไรก็ตามเงินที่ผ่านเราเนี่ยเราเป็นผู้ดูแลอย่างเดียวนะ่ะท่านจะให้จะบริจาคจะจัดต้องจัดตามที่อัลลอ์สั่งทั้งหมดบริหารคิดเองไม่ได้หมดเลยพอมีประกาศขึ้นมานึกถึงคนจีะพวกแปดจมพ์ผู้ มีคนถามว่าเงินะากาัดสร้างสวยแรงมันเวกร์กไม่ได้แะ่ทำอะไรดูแลคนดูแลคนเราโซลาร์ามันเป็นส่วนตัวเราสิสร้างขายที่ดิ น, นกันมาอ้าวบริจาคท่านมาสร้างมัสยิดเงินสกาดเอาไว้ดูแลเด็กกาพร้าแม่ใหม่คนยากคนจนคนเดินทางมาลําบากที่บ้านเราต้องดูแลเขามันเป็นตัวเราบ้างถ้าเราเป็นคนเดินทางเก่งๆเนี่ยไปตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศเนี่ย แล้วก็มีคนจะซื้อตั๋วเครบินให้ดีใจว่าอัลฮัมจัดีแล่นี่นะครับอย่างนี้เป็นตนน้นนะเพราะดงว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้หลายเรื่องนะเอาสรุปใหญ่ๆก็คืออย่าหาเงินให้ผู้หญิงนะครับไปตั้งตัวเป็นโสเพณีแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกับเจ้าของอย่าทําสอนให้ผู้ชายอย่าทําตัวเป็นแมงดาสอนผู้หญิงอย่าทําตัวเป็นแม่เล้าทรัพย์ ส, บสมบัติทั้งหมดเป็นของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลานะครับ เอาวันนี้นะครับมาดูอายะที่สามสิบสี่วะลังกอเดออัลนาอิลาอุคอายาติมูบายนัดวะมัสซัลัมินัลละดีนัฮัลาอมิ่กับลิคุมวะมาอิฎะตัลลิลมุตตะอิน وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ و َ م َล์มินั่นท م ่นَ ال เขาเล่ามิ่งกับคุณว่ามาอวยวัตَลิลมุตติณอัลฮัมดุลลอฮ์ยานี่ใ ل ้ความ ه ا ي อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ แล้วก็จะแปลว่าโดยแน่แท้หรือโดยแน่นอนยิ่อันเจลนาเราได้ประทานลงมาเรามาถึงอ AH AH ัลลอฮ์อัลลอฮ์จะประทานลงมาอิลกุมแก่สู่เจ้าอายาตินองการทั้งหลายมาถึงประทานกุอาลงมานะครับเป็นอายาอายาอายาต่างๆเหล่านี้นี่นะ มืบ ย, ยีนาอธิบายชัดเจนเข้าใจง่ายุอ่านจละอายาที่เาประทานลงมาเนี่ยเข้าใจง่ายอ่านแล้วเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ดูตัซีฟังบุุษมาผูรูอธิบายเดี๋ยวเข้าใจ ล, ละอัลลอฮว่ามาสาลันุอานที่ประทานลงมานี่เอาสักนะมาัแปลว่าเป็นตัวอย่างได้ยกตัวอย่าง เช่นยกตัวอย่างใครอัลลอฮีนะข้าเรามิ่งกบลีกุมอัลลอฮีนะบันดาข้ลวที่ล่วงลับมิ่งกอบลีกุมก่อนหน้าสูเจ้าหมายถึงประวัติของคนสำคัญสำคัญที่เขาได้ตายไปแล้วในอดีตอัลลอ์เล่าบระัตการในกุรอาน <c oughs> เพื่อเป็นตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างให้เราได้เข้าใจง่ายเวลวาอัลกุอบอกกุมใจนะ เช่นสอนศาสนามีคนแอนติมีคนดานาเบียกท็ท้อใจ <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> สอนศาสนาแล้วม่ได้ดามันจะคำหนึ่งนะมา ต, ต่อต้านอยู่อัลลอฮ์ก็ประทานประวัติของนาบีอิบรอฮีมลงม า, านาบีอิบรอฮีมสอนศาสนาเหมือนนาบีพุ่งมาได้แหละตัดจับถูกจับโยมใส่ไฟคูได้กำลังใจเจอนาบีอะไรอีล่ะนบียูนุส ส่อศาสนาแล้วก็ถูกไรปลากินอยู่ในท้องปลานี่มันเป็นตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างเรื่องของคนในอดีต ท, ทั้งหมดบรรดานาบับีในอดีตและเล่าให้นบีฟังเพื่อให้กำลังใจเราที่อ่านกูอ่าวันนี้กูเหมือนกันอนาคตวันี่ทำงานศาสนาทุกคนนะพวกเรานี่นะทำงานศาสนานะกรรมาการมัสยิดทำงานศาสนานะอย่าเป็นเรื่องว่าฉันนี่มีโอกาสทำงานรัฐสภาไม่ใช่ นี่งานศาสนางานมั ส, สยิดี่งานศาสนาฉะนั้นต้องต้องอ่านกูรอรานเยอะๆถึงจะมีกำลังใจอยากจะทำงานนะครับอัลอฮฺมาดุคดุขนันตะนะครับวะละาลาาะจัลอันซัลนาอิลัยกุมโดยแน่นอนยิน่งอันซัลนาอิลัยกุมเราได้ประทานลงมา อิเลกุมแก่สูเจ้าอายาติมมุบายินาองค์การทั้งหลายอายาเป็นพัมคังวะหุพจน์นะองค์การทั้งหลายมุบายินาตินอันอธิบายอย่างชัดแจงเข้าใจง่ายอัานกลุ่อ่านถ้าอาศัยอุลามาด้วยมีครู ด, ด้วยอธิบายตับเข้าใจเลยอัลัฮัมดุลิลละอย่างที่จะอธิบายตัวเนี้ยพูดภาษาง่ายๆน้คว่าให้เข้าใจง่ายๆ ว่ามาซาลามีนัลลาฮีนและให้ได้เรียนรู้นี่ยคุมเติมเองนะให้ได้เรียนรู้อะไรครับมาซาลัมตัวอย่างมีนัลลาฮีนจากบรรดาเหล่านั้นใครอะคารามิงกอบลิกุมคนที่มาก่อนหนะ้าสู่เจ้าที่เขาได้ผ่านไปแล้วที่เรื่องรับไปแล้วที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว เช่นบรรดา น, น บ, บีทั้งหลายที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยนบดุะไรนะน บ, บียนัวลำบากขนาดไหนทํางานศาสน า, ศ า, ศาต้องต่อเรือมีน้ําท่วมอับดุบีมูซาอัลลอฮ์ส่งมาสอนฟาโร่คนสําคัญหมดเลยมาคนเดียวอะ่ะเรามีผู้ช่วยน บ, บีฮารูนอีกคนหนึ่งแล้วสู้กันกับฟาโร่เบาที่ไหนฟาโร่เนอะอัลลอฮุ่นกบาด ตั้กลัวเป็นพระเจ้านะ่ะดามูซามาสอนสอนสอนสอนสอนเนี่ยรูปแบบอย่างเนี้ยเราเอามาใช้กับชีวิตของเราในวันนี้เขาโมโหไหมถูกรังแกเราทำงานก็แก่แค้นไหมนี่ไงทั้งนั้นะคนทำงานาศาสนาทังหมดต้องถูกรังแกแล้วจถูกฟิตรณะถูกดา่าถูกใส่ร้ายนะครับต้องอดทนไหมต้องอดทนหมดเลยเพราะอดทนอันลลอฮ์ก็ช่วยช่วยช่วยช่วยช่วย มิงกอบลีกุมคนที่มาก่อนหน้าสู่เจ้าข้อเล่ามาถึงล่วงลับไปแล้วที่ผ่านไปแล้วและต่อมาครับวามาอิรจันเนี่ยตัวอย่างของคนพ่นพานๆที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเป็นข้อตักเตือนกูรีอ่านแต่ละอายะแต่ละอายะที่เรารับประทานลงมาเป็นข้อตักเตือนนะครับพี่น้องอ่านให้ดีสิเป็นข้อตักเตือนหมดเลย เตือนตัวเราอัลลอฮฺให้ได้ให้มีได้ลิ่มมุตตีนสําหรับคนที่ตักวาต่ออัลลอฮฺสำรวมตนจากความชั่วอาญานีา้ยเจ้การจะอธิบายว่าของที่อัลลอฮฺห้ามไม่ให้ทำมีอะไรบ้างอย่าฆ่าประเวณีอย่าตั้งตัวเป็นแมงดาอย่าตั้งตัวเป็นแม่เลา้าอย่าหาเงินในทางที่ฮารอมนะครับลุ่มมุตตีนจะตั้งคนมุตตีนอย่าเผยไปทําของบาปอย่างนั้น นะครับอย่าเผลอไปตั้งอะไรตั้งวงไพ่เปิดในครับเด่นการพ น, นันของที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยอย่าทําให้สแสวงหาดิสกีที่ฮัลาลฮัลลาลฮัลลา ล, ล, าลอย่างเดียวอย่าไปแหงสแสวงหาดิสกีที่คารอมอัลลอฮ์ขายยาบ้านเนี่ยก็พิษถูกจับได้ก็มีปัญหาติดคุกติดคุกทั้งนนรายกนานอัลลอฮ์ให้ไหมถ้าเราอยู่ กับคำสวงของอิสลามเนี่ยสง่างามไหมอ๋อัมดุลิเล่ส์สง่างามนะครับทีนี้ขอยกตัวอย่างครับคนที่ถูกใส่ร้ายสามคนตับสิท์อธิบายนะจากหลายๆเล่มงที่ผมเช็คดูนะมนะีนางมารยามอัลญิสาลามถูกใส่ร้ายว่าทำทำจินามีลูกโดยไม่ได้แต่งงานโอ้โหเสียหน้านะและคนสาวสวยด้วยโอ้โ ต่อมานบียูซุฟอะเลฮิสลามถูกใส่ค้ายว่าถูกต่อว่าว่าเป็น น, นะนะไปทําซนากับผู้หญิงกระทั้งที่ผู้หญิงปัําเห็นไหมจตกขามันก็ออกไปยูซุฟปัํายูซุฟปลํามยูซุฟแกล้มอัลลอลฺราชบ้านกันลือกันเห็นไหมเรื่องที่สามอ้าฮิชาติยาลโลงอันเถถูกใส่ร้ายว่าไปทำเซนาเหมือนกันอ่ะสามคนในโลกที่ผ่านมาเป็นบุคคลตัวอย่างสบับวันนี้เหมือนกันเอา มาเยามขนาดไหนคิดดูสิอัลลอาบดุอักาัหมากของน บ, บีมูซามาน บ, บีอิมาลสลาฮอลัยาลามน บ, บียูซุฟขนาดไหนครับถูกใส่ร้ายอ่ะถ้ายิงไอ้ชาติถูกใส่ร้า ย, ะ ย, า ย, าายฉะนั้นกูน่าอานสุรานี้เตือนว่าเวลาท่านได้รับข่าวฟิชนะโือ เ, เพราะยิ่งกลุ่มมุสลิมด้วยกันจะเป็นอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะอย่าเพิ่งเชื่อเลย อย่าเชื่อเด็ดขาดให้บอกว่าโกหกพูดโกหกขุนยี่ย้อมเน่ให้นึกไปในทางที่ดีที่ดีที่ดีไว้ก่อนนี่อัลลอ์สอนนะมุสลิมกับมุสลิมจะอยู่ตรงไหนก็ตามเมื่อถูกใส่ร้ายว่าทำายางนั้นทำานู้ น, นผิดหลักศาสนาให้เชื่องยนะอย่าเพิ่งเชื่อให้นึกค้านในใจว่าไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใ ช, ใช่ต้องนึกดีเอาไว้ก่อนเข้าใจะนะ นี่เป็นลักษณะของคนที่อ่านกุรานและเข้าใจคุรานต้องเดินตามอัลกุรอานที่มามอ่านตอนนมาสุโบมเมื่อกี้เนี่ยอัลลอฮฺอักบัดเมื่อเอาอะไรนะส ม, มีอานาวยาตอมามาเมื่อกุรานสั่งอย่างนี้นะปฏิบัติตามอัลกุรานเลยทันทีทันใดผลทุกช์ท้าก็คือตุฟเลหูนเขาจะได้รับความสําเร็จในชีวิตของเขาตอนบ้านปายหลังจากตายไปแล้วนะครับอธิ this การใส่ร้า ย, ายกาันฟิตรนากันในสังคมมีไหมมีเยอะฉะนั้นเราต้องไม่ใส่ร้ายใครไม่ว่าใครต้องบอกลูกๆด้วยลูกเอ้ยวลาคุยกับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ต้องคุยนะอย่าไปฟิตรนาใครเลยจะไปด่าใครเลยอย่าเป็นอย่าอาปนินทากันเลยเข่าใจไมถ้าเราฝึกลูกของเราในในครอบครัวอาอัลกุรอานสุรานี่แหละอันนูนเนี่ยมาอธิบายให้ลูกฟังนะอัลฮัมดุลิลลาบ้านท่านจะเป็นบ้านที่มีบารัมคาตมากแล้ครับ เอาต่อมาอายาที ard, bah, ่สาสิบส่วนนี้อายานี้โอ้โหสำคัญมากนะครับอัลลอฮฺนูรุสสมั่วตีวะล้อร์มัสลูนูรีฮิคามิษกาติมฟีฮ์มิสบะฮ์อัลมิสบะฮ์ฟีซูจัจจ์อาคนี้ก่อนนะครับ Allahu Nur al-Samawat wal-Ard مثلا نوره كمشك تين فيها مسبح المسبح في زجاجة الحمد لله ดูคำตอบนะอัลลอฮก็คืออัลลอฮนูรแปลว่าแสงสว่างหรือรัศมี น, นูรนูรนนรเปวกาลสมีนูรุสามาวาสรสามีของชั้นฟ้าทั้งหมดวัลอาบดิและในแผ่นดินอัลลอฮ์ทรงเป็นแสงสว่างนี่อัลลอฮ์พูดกับตัวเองนะนั้นแสงสว่างทั้งหมดเป็นของใคร อัลลอฮ์เหมือนกรัพย์สมบัติเป็นของอัลลอฮ์เงินทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ท่านจะมีที่ดินกี่พันไรก่กา็ตามเป็นของอัลลอฮ์คุณมีอาพาร์ตเมนต์พันห้องก็เป็นของอัลลอฮ์จะมีบ้านกี่หลังก็เป็นของอัลลอฮ์จะมีแท็กซี่กี่ร้อยคันก็เป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดเหมือนกันรัศมีเนี่ยอัลลอฮูนูรุสซามะวะจิวอาอัลลอฮ์ทรงเป็นแสงสว่างเป็นเจ้าของแล้วนะ แสงสว่างของชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนี้อ a r t h earth อารตมันติดใช้ภาษาเดียวกันฝรั่งเอาภาษาอารับมาใช้เอ r t h earth นะ earth earth เดียวกันนะอัลลอฮ์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินอธิบายยังไงมาซาลูนูรีฮิมาซาลแปลว่อุปมาดังเช่น นูรีแสงสว่างของพระองค์กามิชกาเหมือนอะไรรู้ไหมหมิชกาเหมือนเช่นเช่นอะไรนะช่องตามผนังช่องตามผนังเนี่ยใช่ไหล่ะันมีช่องช่องช่องอยู่มันต้องตึกโบราณโบราณ น, นะนะสมัยใหม่ที่ไม่เคยมีนะ ตึกโ บ, บราณประเทศอินเดียยางมีอยู่นะขราพเจ้าก็มีช่องตามผนังต่งตางๆเนี่ยนะฟีฮามิสบาในนั้นมีตะเกียงมิสบาแปลว่าตะเกียงต้องการจะอธิบายอย่างนี้ว่าศาสนาอิสลามเนี่นะเปรียบเสมือนตะเกียงศาสนาอิสลามเปรียบเสมือนตะเกียงดีไหมเนี่ย ล่ามเปรียบเสมันตะเกียงแสงสว่างแล้วก็ไอ้ตะเกียงนี่นะคนมันมันไสยเยอะนะตะเกียงดวงนี้โอ้โหอยากจะทำลายตะเกียงดวงนี้ในคัมอีร์อธิบายมีนะ่ามีครับอัลลอฮฺสอนอย่างนี้ยูรีดูนัลยูตฟิอูนุรรลอฮิบิอัฟวาหิม พวกเขาหมายถึงคนบูนาฟิกรนคนกาฟิรีนคนมุชรีกรีนยาหูดีนนัสราณีทั้งหมดเหล่านี้นะมันใส่ตะเกียงดวงนี้เหลือเกินอยากจะดับรัศมีของตะเกียงดวงนี้แต่ทําสําเร็จไหมวะลอหุยะบาอัลลอฮ์ไม่ยินยอมให้ยิ่งทําลายเท่าไหรก็ตามอัลลอฮ์ยิ่งให้แสงเขามันสว่างจ้าขึ้นจ้าขึ้นจ้าขึ้นจ้าขึ้น นี่ตะเกียงอัลลอฮฺบา บ, บสเกตะดีนะตะเกียงดวงนี้เป็นที่มันไส้ของคนที่นอนมุสลิมทั้งหมดต้องการที่จะดับตะเกียงดวงนี้ให้อยากให้แสงนี่มันออกไปเยอะๆดับแต่ปรากฏว่านะยิ่งใสคล้ายเท่าไรยิ่งตำหนิมากขึ้นเท่าไรแสงรอล้อไปโผล่ที่อเมริกาตะเกียจากตะเกียงดวงนี้แหละไปโผล่ที่ญี่ปุน่นไปโชว์ที่ฟิจิ ไปโพลที่ฟิลิปปินส์รับอิสลามกันไหมครับทุกคนลุกคนลุกคนลุกคนรับอิสลามทาไมครับเพราะรัศมีจากตะเกียงดวงนี้พระเจ้าวนูรุนเป็นรัศมีแสงที่ออกมาจากตะเกียงดวงนี้เป็นรัศมีลรมไปอยู่ในหัวใจของใครก็ตามนะครับอิสลามไปหมดเลยห้ามเลยละอาต่อมาครับเหมือนกับนั้นนะเหมือนกับเหมือนกับนเหมือนกับตะเกียง พลมะอธิบายอย่างนี้นะครับคาว่านูรุสมาวาติวัลอาตวานูรุลไร น, นะนูรุสมาวติวัลออธิบายอย่างนี้คนพุนที่อยู่ในชั้นฟ้านม่มีมีใครบ้างที่อยู่ชั้นฟ้ามีมาอาไ ร, รบ้างคนอยู่ไหวไหมคนอยู่ไม่ได้ต้องพาออกซิเจนไปไหวเหรอใช่ไหมนอกจากนี้อินชาเราจะลอยอยู่บนอยู่ใช่ไหม มาลายกาอยู่บนชานฟ้าทั้งหมดได้รับรัศมีจากอัลลอฮ์หมดเลยและส่วนแผ่นดินนี้น่ะใครอยู่พูกเรายอยู่ใช่ไหมอ่ามนุษย์อยู่บรรดาอับบีอยู่ AH AT, อัลลอฮฺอักบบดอุลมะอยู่อาลลียา ah อยู่อยู่บนแผ่นดินนี้มีรัศมีไหมมีรัศมีรัศมีนี่มาจากไหนอ่ะมาจากอัลลอฮฺ سبحانه และุทธา ยิ่งน บ, บีมุฮัมมัดบรรดาน บ, บีทั้งหมดนำอัสมีนี้ไปเผยแผ่ไปสอนคนเนี่ยถูกต่อต้านไหมถูกต่อต้านละใครคุ้มครองอัลลอฮ์คุ้มครองมาตลอดแทนทัศมีในชัน้าหมายถึงบรรดามาเิกะทั้งหมดอัลลอฮ์ดูแลรักษาแต่เพียงดวงเดียดวยดวงอาทิตย์มีแสงไหมมีดวงจันทร์มีแสงไหมมีดวงดาวมีแสงไหมมีแสงเหล่านี้มาจากไหนมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาเมื่อเทียบกับ มิสบาตะเกียงแล้วนี่นะอิสลามอยาถึงตะเกียงใช่ไหมแสงอาทิตย์กับแสงจันแสงดาวกับแสงตะเกียงของอลัลลอฮ์นั้นอันไหนจะสว่างกว่ากันอ้าตะเกียงของอลัลลอฮ์นี่จะเป็นอิสลามนี่นะแสงกล้ากว่าดวงอาทิตย์แสงกล้ากว่าดวงจันทแสงกล้ากว่าดวงดาวดังนั้นไม่มีอะไรมาสามารถดักรัศมีที่มาจากตะเกียงดวงนี้ได้เลยยิ่งอยู่ ธรรมดาเนี่ยมันก็ยิ่งมอดใช่ไหมใช่ไหมตะเกียมยิ่งจุดมันยิ่งมอดใช่ไหม่ะแต่นี้ยิ่งจุดยิ่งสว่างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึนม้นใช้น้ำมันอะไร อ, ะอ่ะมาดูต่อไปใช้น้ำมันอะไรกามิชกาติมฟีฮมิสบาเป็นเช่นช่องตามผนัง ซึ่งในนั้นมีตะเกียงอธิบายว่าศาสนาอิสลามที่อัลลอฮ์เป็นเจ้าของเปรียบเสมือนตะเกียงที่ส่องแสงไปทั่วโลกอัลมิสบาฮุฟิซูจาจาตะเกียงดวงนีนะ้น่ะอยู่ที่ไหนครับฟิซูจาจาอยู่ในโคมแก้วมีโคมนี่ไงไฟ ย, ยางไงมา ไฟอยบบ่ามัานตรงบ้านทีมันมีไฟเยอะๆนะไฟอย่างเดียวนี่นะมองดูมันไม่สวยนะแต่มีโคมคุมวีธทีดีไหมอลัลลอฮ์ทำให้แสงสว่างกว่าแสงที่ไม่มีโคมคุมในคุณอ่านเขาอธิบายว่าอิสลามที่ฉันส่งมานี่นะเปรียบเสมือนตะเกียงแล้วตะเกียงดวงนี้มีอะไรคมุมมีมีอะไรนะมีโคมแก้วคุมอยู่อธิบายยังไง คำว่าตะเกียงถูกครอบอยู่ในโคมแก้วไม่มีใครมาทําลายตะเกียงดวงนี้ได้เพราะว่าอะไรนะมีโคมคุมอยู่ปัญญาครับนี่ครอานสวนี่ยเราใช้ปัญญาเอาวอลอัคต์ต้องการจะดับประศมีอันนี้ใช่ไหมแน่นอนมีหลายคนิลลนล l i o n คนอย่างน้อยเนี่ยสามสี่พันล้านคนต้องการจะทําลายตะเกียงดวงนี้แต่ทําลายไม่ได้เพราะมันมีโคมคุมอยู่ โคไม่ไรครับอจูยะยะอจูยะหมายถึงโคแก้ด้วยนะอ้าวต่อมาครับมีคนพยายามทำลายอิสลามหรือทำลายแสงสว่างของอิสลามมีไหมมีครับแต่ทำลายได้ไหมไม่ได้ครับเอา้าตังในในสมัยนบีนี่นบีถูกทำลายเยอะนะ แต่นบีก็ยึดที่ละเมืองละเมืองละเมืองไซนาอุมัดนะัยยึดประมาณเท่าไหร่นะหนึ่งพันกับสาสบหกัวเมืองเพราะอิสลามเอ า, าศาสนาไปศสอนเนี่ยรับอิสลามกันปรากฏว่าท่านไม่มีเวลาพัฒนาครอบครัวตัวเองเอาไว้ง่ายตัวเองมีอะไรบ้างใช่ไหมมีแค่สี่รายการเองหนึ่งมีบ้านทำมาจากดิน สองมีล่ออยู่ตัวหนึ่งไม่ใช่ลาด้วยนะไม่ใช่ม้านะล่อท่านสะสมให้กับชีวิตตัวเองอันที่สามมีแซ่อยู่อันหนึ่งเอาไว้ตีคนหรือทำอะไรเคาะประตูบ้านให้ไปนำมาแล้วก็มีเสื้อผ้าอยู่สองสามชุดบางชุดมีร้อยปะทำงานศ า, าสนาสิบสองปี ไม่ได้ห่วงเรื่องบ้านไม่ได้ห่วงเรื่องครอบครัวอะไรเยอะไม่เหมือนกับพวกเราสมัยนี้เป็นนักการเมืองหน่อยไม่กี่ปีัวยหมดแล้วพันล้านสองพันล้านอยนนั้นยิ่งบริหารยิ่งจนลงยิ่งชนองค์แต่ไปพัฒนาคนรับอิสลามหนึ่งพันกับสาสหหัวเมืองสร้างมัสยิดทลายสี่พันแห่งไซนาอุมัดนี่ไงนูดนูดอิสลามอัลลอฮ์วะบักแต่พอตายภาพเดีไปสวรรค์เลย อัลลอฮ์บอกว่านี่นบีบอกว่าไนาอุมารเป็นชาวสวรรค์เพราะเขาทำงานศาสนาเนี่ยเอาอิสลามไปเผยแผ่เผยแผ่เผยแผ่มีผลและผลเยมากเลยอัลลฮ์มดูลิลาอัลมิสบะฮูฟิซูจาจาตะเกียงนี้มีอะไรคุมนะอยู่ในอยู่ใต้อยู่ในโคมแก้วอัลฮ์มดุลิลาอยู่ในโคมแก้ ว, กวนะะพี่น้องอุลมามะอธิบายอย่างนี้อุลามาทั้งหมดบอกว่า ไปอย่างเดียวถ้าอยู่ในโคมแก้วแล้วแสงของมันจะสว่างขึ้นสวยขึ้นนวลขึ้นอัลลอฮฺว่ากับเรานะอาตมักับอัลลอฮฺจะตุกันนะเขาะบุนดุรีอัลลอฮฺจะตุกันนะเขาะบุนดุรีโคมแก้วอันนี้นะครับ เปียบเสมือนไรครับเปรียบเสมือนเก้ากับดวงดาวอ่าคุณอสอนให้เราใช้ปัญญานะกุญ ด, ดวงเจ้าอันนี้ตะเกียงอันนี้ถูกคุมด้วยโคมแก้ววันนี้เปรียบเสมือนดวงดาวเก้ากับดุริยุนดวงดาวที่มีแสงระยิบระยับมีประกายแสงระยิบระยับ นี่อธิบายให้เราสอนให้เราเข้าใจว่าอิสลามนั้นเปรียบเสมือนอะไรดวงดาคืออยู่บนทองฟ้าเห็นไหมแล้วก็ส่องแสงระยิบระยับอัลลอห์อักบารททำไมจะเตียมดวงนี้มันแสงมันยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับเพราะใช้น้ำมันอะไรยูกอดมิซาจรอมูบาโรกาตินไซตูนะ ยยกอดุมิชาจารติมุบาระกาตินไซตูนะยกก็อว่าถูกจุดก็ใช้น้ำมันอย่างดีเนี่ยจากแทบจากต้นไม้ชาจาโรแปลว่าต้นไม้มุบาวกะต้นไม้ที่มีความจำเริญอัลลอฮฺอัลลอเชื่อไรครับไซตูน อาจารย์ครับท้นมะกอกอา้าน้ำมันมะกอกนี่ อ, อัลลอฮฺวักระบประโยชน์เยอะเหลือเกินนี่ผมชาน้ำมันมะกอกนะสับตัวผมเองเนี่นยนะใชามาสักเจ็ดแเดือนแล้วสิบเดือนแล้วเดินทอนหนึ่งแล้วก็ทาตามตัวแั้งแรงลองทําดู <laughs> น้ํามันมะกอกมันแพงหน่อย แ, แล้วก็เสื้อเอาไว้ที่กระปับตัวเองสกครัวสองครัวเอาไว้เดิมแล้วก็อะไรนะเอามาทาที่แขนที่ร่างกายที่หน้าที่ตาแล้วก็นวดเล็กเดืนน้อยทันทำเดินเล่ผมได้จดากกุนายนะก็เอาไปทำอยู่วันนี้เราทำเดินนี่ขนาดเอาไปจุดตะเกียงตะเกียงเป็นไงแทนที่มันจะมอดกับสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นเพราะ น้ำมันไตูนน้ำมันมะกอกเป็นนาวันที่มาจากสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะละตะเกียร์มายถึงอิสลามใช้น้ำมันอะไรถึงยิ่งจุดแล้วมันธรรมดามันยิ่งหมอดลงมันยิ่งสว่างขึ้นสว่างขึ้นเหมือนกรบดวงอาทิตย์เหมือนกันน่ะจุดมากี่ปีแล้วเนี่ยธรรมดาไอ้จุดนานๆมาตรงเย็นใช่ไหมนี่มันร้อนขึ้นน่ะ ผมว่าประเทศไทยเมื่อห้าสิบปีก่อนนะยังยังเบากว่านี้มันร้นขึ้นรองขึ้นเพราะอะไรอ่ะเนี่ยสำเน็จสำนึกดูสิอัลลอฮฺอิสลามีแทนที่มันจะยุบลงยุบลงคนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับอิสลามก็ถูกใส่ร้ายทุกทีล่าสุดกับไอเอสใช่ไหมก่อนหน้านี้กับเวิร์นทะใช่ไหมผู่กับการร้ายอัลลอฮฺข่าวแต่ละของมุสลิมที่ออกมาแต่ละอย่างนี่มันน่ากลัวหมดเลย ขนาดน่ากลัวขนาดนี้ใช้น้ำมันอะไรคนยิ่งสนใจเพิ่มขึ้นก็ น, น้ำมันไสตูนมะกอกดีแล้วข้ามดูดีแล้วไม่น้องเอาไปใช้นะเอาไปกินบอกพระยาอย่าเอาไปทอดนะก็เอาไปกินซาญะรอตุมโบาโรกาเขาบอกเป็นสั ญ, ญาลักษณ์ของศาสนาอิสลามเปรียบเสมือนต้นมะกอกเหมือนกันใช่ไหมอัลลอฮฺอักบต ซาจาราตุมมุบาระาตุนไซตุนะนะครับอาจจาอาจโจจาตุคานนะข้าวคาบุนดุรีโยคาดูมิซาจารติมมุบาระาตินไซตุนะอัลลอห์น้ำมันมะกอกนี่มันช่วยเยอะจริงๆเลยนะนะขนาดจุดไฟ i สลามเนี่ยแทนที่มันจะมอดกับทาสนีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคนเพิ่มเพิ่มิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น อุลามะอธิบายงี้อิบนุกะอับบอุบายิบเนกาอธิบายบอกว่าผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่นะในหัวใจของเขามีรัศมีเฉพาะผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนะในโลกนี้ทั้งหมดใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อมัลลัยกาศรัทธาต่อกุรอานศรัทธาต่อวันเชื่อโลกชินโลกศรัทธาต่อกดกรดอกรดัดหกข้อนี้นะหัวใจของเขามีนูนบีรัศมี นะครับในคำอธิบายนะท่านหัวใจของพวกเราทุกคนมีรัศมีหมดครับทีนี้จะให้หัวใจนี่มืดทํำยังไงไม่รู้จักอัลลอฮ์ถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์หัวใจมืดก็จะว่าซูลูมาแล้วก็พอซูลูมากภาพหนึ่งหัวใจที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์หัวใจมืดถ้ารู้จักอัลลอฮ์หัวใจของเขามีรัศมีถ้าไม่มีแสงสว่าง พอมีแสงสว่างแล้วนี่นะเขาเรียกว่าอิสตยาดาพร้อมที่จะรับคําสั่งของอลัลลอฮ์ได้ทุกข้อมุสลิมมาทำไมคุมิยาทำไมปิดหน้าเพราะอะไรก็น้อมรับคําสั่งของอลัลลอฮ์ทั้งที่มันอึดอัดคนส่วนใหญ่ในกทมไม่มีใครคุมพิยาแต่เราคุมก็ได้เพราะอะไรเพราะใจเราเนี่ยมันมีรัศมีไงทําไมเราให้อภัยกับคนที่ด่าเราทําไมนบีให้อภัยกับคนที่ด่านาบี พราหัวใจของนบีมีรัศมีทําไมภรรยานบีถึงต้องอัดต่อนบีทั้งหมดภรรยาที่เชื่อฟังสามีเพราะหัวใจของภรรยามีรัศมีของอัลลอฮฺสุบัยน่าวูบะตาละทาไมเราตื่นนมาตะฮัดยุนได้เพราะกลางกลางกลางคืนตีสี่ตื่นแล้วพอจะนมาซุโบะก็ประมาณสีสิบห้านาทีจะเกิดอาการทําไมตื่นได้ะเพราะหัวใจของเขามีรัศมีทําไมยืนนมาเป็นชั่วโมงๆยืนนะเพราะหัวใจของเขามีรัศมี ทำไมต้องบริจาคเงินหาเงินมาร่วมตายเนี่ยลงทุนหาเงินมาแต่บริจาคสบายมากเลยเพราะหัวใจของเขามีนูตรมีรัศมีของอัลลอฮฺสุบฮาแนหฺวะวาตาเลาะเปงนอันจบลาชัฟิกิยะติุมวาลักรบยะอัลลอฮฺอักบัดตต้นไม้ต้นนี้นะเปรียบเสมือนอิสลามนะครับ ละสัพติยะมิสัพติไปว่าตะวันออกกอบบีกอรีกอบบียตะวันตกทำไมต้องพูดตะวันออกกับตะวันตกเพาต้องการอธิบายอย่างนี้อิสลามนี่นะต่เกียงดวงนี้มิได้อยู่ทางฝ่ายตะวันตกและไม่ได้อยู่ทางฝ่าย ไ, ไม่ได้อยู่ได้ฝ่ายฝ่ายตะวันออกและไม่ได้อยู่ทางฝ่ายตะวันตกในะความงอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลาง ไม่ใช่ตะวันตกไม่ใช่ตะวันออกในตําสิปฏิบ่าว่าต้องการจะผสานผสานผสมผสานคนตะวันตกกับคนตะวันออกมาอยู่ด้วยกันเป็นอุมมาไหวนะฮูจ้จิงใหญ่เหลือเกินต้องการจะผสานคนตะวันตกกับคนตะวันออกให้อยู่กันเป็นจะม า, าเดียวกันน่ะที่อิสลามอะมองโลกทั้งหมดนี่เป็นบ้านหลังเดียวกันใช่ไหม ไม่ใช่มีไม่ไรนะมิได้อยู่ทางฝ่ายตะวันออกและไม่ได้อยู่ทางฝ่ายตะวันตกอิสลามอยู่ตรงกลางระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเพื่อเชื่อมประชากรโลกให้มาอยู่รวมกันเป็น เ, เดียวกันอา้าวผิดน้องันดูสังเกตสิสถานที่เราสังเกตง่ายๆคนไปทำฮะยีเน่ยคนไปทำฮะยีน่ยมีคนกี่ชาติอยู่กันกี่ชาติ ทั่วโลกเลยใช่ไหมประเทศละวมืองไทยเท่าไรแปดพันหรือเก้ากว่าหรือหมืนลดลดลงหมื่นกว่ามาเลเซียอยีกเท่าไรไปรวมตัวในมาการ์หมดเลยที่ถามว่าตะวันตกตะวันออกทะเลาะกันอนะ่ะไม่มีใครไปมาการ์หรอกแต่ด้วยจะด้วยอิสลามนี่แหละไปรวมตัวกันทลเลาะไปขอดุอารรร้องไห้กันเช็นอย่างกักบในอิทธิพลของอิสลามทั้งหมดเลยนะกับสุนทรของท่านนาบีมุฮัามามัดสลลัลลาฮุวซัลลัม ถือลงว่าอิสลามนี่ยมัใช่ของตะวันออกมัจะของตะวันตกกตอยู่ตรงตรงกลางเพื่อจะประสานประชากรสองพวกนี้ให้อยู่เป็นจะมม่าเดียวกันฮัหมุลลัลแบบตัวถึงคุณฟีมาอ่าคุณบ้าโมงสุใช่ไหมนี่ไงเราเป็นอุมาวาฮิดาต้องอยู่ด้วยกันนะฮัมดุลลัายากะดูไซตูเฮยูดีอัลลอฮุอะลลอฮ ยากดูใจตูวอยู่ดีซึ่งน้ำ ม, มันใจเจ็บันน้า ม, มันแทบจะประกายแสงกล้าออกมาอดูน้ำ ม, มันอย่างเดียวนี่นะน้ำ ม, มันนี้นะมันมีแสงมันในตัวอยู่แล้วยิ่งมาใส่ไฟอีกอโลยิ่งสว่างนี่ต้องการจะอธิบายว่าแค่น้ำ ม, มันอย่างเดียวน้ำ ม, มันที่ใสตะเกียงอิสลามนี่นะแค่ตัวน้ำ ม, มันอย่างเดียวนี่นะ มันแทบจะประกายแสนกล้าออกมาให้มนุษย์เห็นว่าเลาวตำสำตำสัสหูนาแม้จะมันมีไฟมาจุดมันก็ตามแค่มวูน้ำมันอย่างเดียวนะ่ให้ประโยชน์กับสังคมตั้งเยอะแยะไปหมดอะไรบ้างใครเอามากินสุขภาพแข็งแรงเอามาทาร่างกายร่างกายแข็งแรงทำให้เนื้อนหนังเนี่ยนะตึงคนอายุหกเจสบเนะี่ยหนังยอนหมดนะ เนี่ยย้อนแล้วก็ย้อนหมดเพราะทานน้ำมันสิแข็งหมดเลยอ่ะทานอวัยวะเพศดูก็ได้แต่จับจะมือทรายนะ่ะถ้าไม่ดีหมดเลยเอาทำดูแลลองเอาไปใชด้ดูพราะบางคนยังไม่ได้ทำผมก็ไม่กล้าเล่าผ่านทีวีใช่อเอาไปนอนแับนี่นะอลัลลอฮฺสอนทางกระเพือก้องอ่านนะ อยากดูใจตัฮาอยู่ดีซึ่งน้ำมันของมันแทบประกายแสงกล้าออกมาให้คนเห็นว่าแล้าลำตำซา ส, สุนาดแม้จะไม่มีไฟจุดมันก็ตามต้องการอธิบายอย่างนี้อีกนะครับว่าหัวใจของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยน้อมรับคำสั่งของอัลลอ์เหมือนกันบบรรดาซาบานาะบีบางคนพอไม่สบายจะตายนี่กลัว ฉันจะตายก่อนนบีแล้วเนี่ยแล้วก็คําสั่งที่อัลลอฮ์ส่งมาประทานลงมาหลังจะฉันตายยังมีอะไรบ้างไม่รู้ไม่มีโอกาสได้นํามาใช้ในชีวิตประจําวันเห็นไหมเรานี่ยเราทำเรื่ออะไรอัลอลอฮ์ให้อะไรน ะ, ะเขาจะว่าให้น่ะครบบริบูรณ์แล้ววันนี้น่ะนำเอาคําสอนของอิสลามที่ผ่านนาบีเอามาใช้ในชีวิตให้หมดซะเป็นบรารักัดเพราะว่าหัวใจเน่ะ ดวงนี้ถูกจุดด้วยน้ำมันไตรทูนหัวใจน้ํามันไตตูว ต, ตัวมันเองเนี่ยน้อมแสงแสงมันมีอยู่แล้วไม่ต้องจุดไฟมันก็มีแสงถ้าอยู่ในใจเราเนี่ยใจเราก็มีนู๊ตมีทัศมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้ามีมีอีมานเรียนเข้าไปอีกมีอามันอีกอ้โหล้มันยิ่งใหญ่แค่มีอีมานอย่างเดียวเนี่ยหัวใจก็พร้อมที่จะรับของที่อัลลอฮฺสั่งแต่ละข้อแต่ละข้อแบบสง่า ง, งามอยู่แล้วเข้าใจนะ อันนี้หรือคำอธิบายของอุลุษมากนะครับของอิบนุกะซิดอธิบายบอกว่าบุคลิกสิท์ฟัของท่านนาบีมนะุฮัมมัดเน่เหมาะที่จะรับตำแหน่งอันนี้ก่อนที่ท่านจะถูกต่งตั้งให้เป็นนบีเงืงอมามนะดีนบีไม่เคยทะเลาะ ก, กับคนม่จะให้อาภัยแก้ปัญหาสังคมได้ตลอดอัคลากอย่างนี้นี่นะ เหมือนกับเป็นน้ามันไตรทูนใช่ไหมอัลลอฮฺอักบัต์ใครเอาไปใช้มีประโยชน์หมดเลยเอาไปกินแข็งแรงเอาไปทาตัวแข็งแรงนบีก็เหมือนกันแก้ปัญหาทะเลาะกันที่กะบายของจํานว่าใช่ไหมทะเลาะกันกี่กลุ่มกี่กลุ่มนบีมาแก้ปัญหาแป๊บเดียวจบหมดเลยนี่ไงอัคลากแบบนี้เหมาะที่จะเป็นนบีของอัลลอฮฺสุบฮานาห์าวาตาได้าะนั้นคนอื่นอย่างพวกเราวันนี้ใครที่มีความสามารถแก้ปัญหาสังคมให้คนอยู่ดีแล้วก็มีอีมาน มีต um ัความียาตรีมีเอสรามีอิสลามมีสุนนะนบีคนนี้คนนั้นเป็นกษัตริยของอัลลอฮ a سبحانه และ تعالى ข้ามจักรต่อมาครับนูรุนอาลานูรอัลลอฮนูรุนอาลานูดแสงสว่างนูดแปลว่าแสงสว่างอลานูรินซ่อนแสงสว่าง มีรัสมีแล้วจะมีสมีเพิ่มอีกซ้อนอีกซ้อนอีกดีเลยไม่ดีแต่เรามีเงินอยู่ลานหนึ่งมาอีกลานหนึ่งชอบไหมชอบมีสองลานสามลานนูตรัสมีแล้วมีอีกหามาอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกอัลลอัลลอฮฺอัลลอฮยิ่งดีใหญ่เลยทีนี้อุลามาอธิบายอย่างงี้คำว่านูรุอนรอัลานูตอัลลย่างนี้รัสมีของ Allah อัลลอฮฺอันเนี้ย จะเจรินไปทั่วทิศในโลกใบนี้เห็นไหมอิสลามนี่นะไม่ใช่จะหดลงนะมันยิ่งเพิ่มขึ้นคนจะรับอิสลามเพิ่มขึ้นขณะที่ซัน่ชนเนี่ยผม ค, คุยกับใครอะจงบรรจงอะบินกาซานอะบอกผมว่าอาทิตย์นี้สิบคนทุกอาทิตย์เลยมรับอิสลาม อาญาเนี่ยสอนไงนูรุนอาญานูรอิสลามเนี่ยยิ่งอยู่รัศนีมันยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคนรับอิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่อัลลอฮ์ใช้ภาษานูรุนอะไรดีมหมเนี่ยถ้าไม่อ่านตา้องซิทไม่เข้าใจอลัลลอฮ์เห้ยมั้ยแล้วก็เรามีลูกกันเหมือนกันเนี่ยอยากจะให้ลูกมีอิมรันมากกว่าพ่อใช่หรือไม่ใช่ลูกทุ่นจากรุงอันมากกว่าเราใช่ไหมอยากลูกน้ำมารตมากกว่าเราใช่ไหม มาจากไหนอ่ะนี่นะโนรุณาญาโ น, นรัสมีที่อยู่ที่ตัวเราให้รัสมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, เ พ, นเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับนะอุลมะอธิบายอย่างนี้ครับหัวใจของมุมินเมื่อหัวใจของเขาได้รับฮีดายะอัลลอจะทำให้หัวใจของเขาเนี่เปิดกว้างสามารถยอมรับความจริงได้ทุกข้อ ตลอดเวลาเขาพร้อมที่จะทำตามคําสั่งของอัลลอฮ์ฉะนั้นนู้นี่นะต้องคู่กับอไลอลมูด้วยพอรับอิสลามแล้วต้องเรียนเพิ่มอย่างที่เราเรียนนอยู่เนี่ยนะนี่ไงคู่กันมีอิมานแล้วก็มีความรู้มีอีมานมีความรู้มีอิมานอย่างเดียวไม่หาความรู้เพิ่ม ดีว่ะพอไปอย่างนี้บางคนนี่มีมีมีอีมานแล้วไม่หาความรู้เพิ่มนี่นะพัฒนายากแต่คนที่มีอีมานแล้วรับมุสลิมแล้วรับแล้วก็หาความรู้เพิ่มมาเรียนตอมซีดเพิ่มอ่านทัดดิเพิ่มนธธเมนี่ยเขาได้ทําให้อัมมันซอแลกของเขาทําแบบง่ายได้ขึ้นอัมมันงานที่ซอแลกนี่นะ ทำง่ายไหมมีอีมานแล้วก็มีความรู้ทําให้อัมมัต น, นิสาเนี่ยง่ายได้ลองตายอยู่เฉยอยู่ในกุโบสบายมากเลยทําไม่ตายไม่รู้ปราสำนึกตัวนอนอยู่ในกุโบอล๋อยอย่างงี้มัลลิกาถามว่าเอ็งทำไมไม่อ่านหนังสือทำไมไม่เรียนล่ะมัลลิกาถาอมอัมมาจะเล่าให้ไดว่าต่ไรจะทำไมไม่ใช้ปัญญาทําไมไม่อ่านหนังสือ ถ้ไม่อัานคุ้อ่านฉะนั้นเมื่อมี إ ي م านแล้วต้องแสวงหาความรู้ผ่านกุ้นอ่านแล้วก็ผ่านสุนนะบีจึงจะมีอัมมันเช่อซอแร่แบบสง่างามเลยห้ามอยูแลแล่เลยจ้แบบซอ บ, าาบ้านนบีถามว่าซอ บ, าาบ้านนบีคนไหนไม่อ่านหนังสือมีไหมอ่านหมดแล้วเวลาเขา อ, อ่านคุ้นอ่านน่ะเขา อ, อ่านสามสีอายะไม่ย้ายจนกว่าจะได้นําเอาความรู้ที่ผ่านกันไปปฏิบัติก่อนเป็นอัมมั่นก่อนนะ่ะมี إ ي م านอยู่แล้วเชื่อนบีเชื่ออัลลอฮ ก็ไปเรียนความรู้อีกเอามันมันก็ตามมาเนี่ยอัลลอฮฺหุบอัลบาตเนี่ยยิ่งใหญ่ฉะนั้นต้องเรียนครับอย่าเป็นมุสลิมที่ไม่เรียนหนังสืออย่าเป็นมุสลิมที่ไม่อ่านหนังสือเพราะันอ่านหนังสือก็อ่านผิดอ่านจากหนังสือพิมพ์อ่ะจะไปอ่านทําไมเล่มหนังสือพิหนังสือพิมพ์อ่านแต่อาจารย์โซเดกีแบบนี้แไปวิจารได้วิจัยได้วิเคราะห์ได้ใช่ไหมล่ะแต่ี้อ่านแล้วอีมาเลยเชื่อเลย มันต้องอ่านหนังสือพิมพ์คู่กับอ่านคูรานแล้วอ่านฮะดิษแล้วก็มามีอามันฑ์สีซอแล้วคอยกำกับชีวิตเราอยู่แหละครับดุลิลละเข้าใจนะยาดิลลัลฮูลีนูรีฮิมาียชาอัลลอฮุอะลลอฮฺยาดิลลัลฮูลีนูรีฮิมาียชาอัลลอฮ์ทรงนำทางยาดีแปลว่านำทางใครน้ำครับอัลลอฮ์ฉะนั้น พวกเราที่เป็นมุสลิมวันนี้ใครนําครับอัลลอฮ์นำนบี ม, มุฮัมมัดมาให้ความรู้แก่เรานะครับลีนูรีฮิแสงสว่างของอัลลอฮ์เนี่ยที่เรามานั่งอ่านกุณอ่านกันวันนี้ที่เป็นมุสลิมวันนี้เพราะแสงสว่างของอัลลอฮ์ชี้ทางนาให้กับเราไมยเชให้ผู้ที่พโพลุ่มสมประสงสมเห็นไหมในเมืองไทยมีประชากรเท่าไหร่ หกสิบห้าล้านรูปเจเอาหกก็แล้วกันมีมุสล ah ิมกี yes, ่รายสิบล้านนี่เอาว่าชื่อทางนามไปแล้วยกขึ้นมากลุ่มนึงนี่ไงพวกเงี้เป็นจะรับทางนามจากอัลลอ์เป็นมุสลิมยกย่องให้เกติขนาดไหนละห้มลยวยดริบุลลอฮุลอัมซาลลินสยดิบน่ตรงนี้แปลว่าอัลลอ์ได้ทรงเปรียบเทียบรูปอุปมา อัลอัมซานตัวอย่างต่างๆที่เล่าให้ฟังกันหมดอิสลามเปรียบเสมือนตะเกียงอิสลามเปรียบเสมือนตะเกียงที่มีเลยนะมีโคมแก้วครอบอยู่อิสลามเปรียบเสมือนดวงดาวที่สายระยิบระยับใครจะทําลายก็ไม่สําเร็จโอัลลอฮฺอัิบา้าที่หมดเลยชายน้ำมันอะไรจุดทําไมมันไม่ดับใช้น้ำมันก้าซมันแน่นอนถูกแต่ใช้น้ํามันมากอกต้นมะกอกที่เป็นองมุสลิมปลูกหมดเลยนะะ่ะสะเกดตอนนี้นะ นน้ำมันมากอเป็นน้ำมันที่ดีที่สุดถ้าเอามาใช้กับชีวิตชีวิตประดีอันนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับเอาล้อได้อุปมาเรื่องเหล่านี้นะครับเพื่อให้มนุษย์ไม่ใช่กค่แพะแกะวัวควายนะลินนาเซนยังครับเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดนี้จะ้ายนะลินนาแกะพิมนบีกับมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แพะแกะวัวควายไม่เกี่ยวนะครับ วะลาอูบ al ิกุลชัยอิน ل ِล م มอัลลอฮ์สงให้ผู้สรงอัลลอฮ์เป็นผู้สรงรอบรู้อาลีมรอบรู้ชอินสิ่งกุลละทุกทุกทุกสิ่งอัลลอฮ์รอบรู้หมดเลยใครมีอิมานมากน้อยแค่ไหนอัลลอ์รู้ใครมีอาชีพทำอะไรอัลลอ์รู้ใครเป็นทำตัวเป็นแมงดาอัลลอ์ก็รู้ใครเป็นแม่แล้าอัลลอฮ์รู้รู้หมดเลยยังไม่แฉ เพราะระวิงเวลาไว้ให้แก้ตัวหันมามีอ ي ม ا นหันมามีความรู้และมีอามันเจโซแล้วอะประโยะสุดท้าย fibuutin alina law anturfa ayuz karofi hasmo يسبح له فيها بالغدو والآصال الحمد لله الله ذاك خبر ما قياني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في ه ا حسمه يسبح له فيها بالغدو ُُِِْ بال والآصال ََِ الحمد َُْ لله َِّพูดถึงว่ามัสยิดกับบ้านมุสลิมอ่าอายานี้น่ยพูดถึงมัสยิดกับบ้านของมุสลิมทุกลังคาเรือนทั่วโลกทำยังไงฟีบูยูตินบันดาบุยูตมาจากใบตุ่นตะวบาน นะบงังดาบ้านต่างๆนะครับอวินาลออาลอฮอัลลอฮอนุญาตออัลลอฮอนุมัตท่านคนที่มีบ้านเนี่ยคนนั่นเป็นคนที่อัลลอฮให้บราระกัตเยอะนะมีบ้านตัวเองบางคนมีบ้านสามหลังอยู่ในกรุงเทพหลังพัทยาหลังหาดใหญ่อย่างในรีสอร์ตดีไหมบางทีนึกกูเก๋งนะ่าดูเลย ไม่ลึกนูนลึกอัลลอฮ์อันนี้อลลอฮ์ให้ฉันมาเนี่ยให้เพื่ออะไรดูแลบ้านไม่เป็นดูสิบางคนมีบ้านหลายหลังแต่ดูแลบ้านไม่เป็นต่อการจะสอนนะมีมัสยิดมัสยิดควรทำยังไงให้เป็นที่พึงพอใจของอัลลอ์บ้านมัสยิดต้องดูแลเหมือนเหมือนกันบ้านมุสลิมนะไม่ใช่บ้านกาเฟนะฟีบูยูตินอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้อานุมัต นะครับให้พวกท่านทั้งหลายเนีมีบ้านบ้านเป็นครับตู ฟ, ฟ่ามีบ้านแล้วตรงหวะนะอนุญาตให้ยกย่อมบ้านยกย่อมมัสยิดอ่าคำว่ายกย่อมจะทำยังไงอ่ะคำว่ายกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเป็นวัตถุใช่ไหมกะยกให้มันสูงขึ้นแต่ตรงนี้ไม่ใช่ให้หัวใจของเราเนี่ยนอบน้อมถ่อมตนจะเข้ามัสยิดเนี่ยอย่าเข้าแบบคนประตมุตนะ เข้ามาฉันกลัวอัลลอฮ์เราข้าบ้านอัลลอฮ์เนี่ยเราเป็นแขก ข, ของใครของอัลลอฮ์ฉะนั้นอยากข้าแบบตะกั บ, บ, บุ้มต้องเข้าแบบเกมอัลลอฮ์หวังเมตความเมตตาจากอัลลอฮ์ไม่ควรจะมานั่งลหลับด้วยนอกจากหลับคนเดียวแอบแอบหลับนะพอไหวไม่ใช่มาหลับจนตาหน้าคนอย่างนี้ใช่ไหมอัลลอฮ์ยกย่องให้เกียรติอนุญาตให้เรายกย่องให้เกียรติบ้านของอัลลอฮ์แล้วก็ บ, บ้านของเราเองด้วย วยูกฟีฮสโมในบ้านของอัลลอ์และในบ้านเราเนี่ยยุสการูแปลว่าต้องให้มีชื่อของอัลลอ์ถูกรำลึกอัลลอฮ์เห็ยังครับเนี่ยอัลลอ์สอนนะในมัสยิดของอัลลอ์ต้องมีชื่อของอัลลอ์เช่นอัลลอฮ์และอิละฮ์อิลลัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์ถูกเอ๋ยถูกกล่าวถูกรำลึกตลอดเวลา ต้องการจะบอกว่าในมัสยิดเนี่ยไม่ใช่ค่าไม่ใช่ที่ค้าขาย<ไ>เพราะท่าที่ผมรู้บางคนเนี่ยมามัสยิดบูติม่าเราเนี่ยนะมาขายเพชรกันในมัสยิดวันละหนามาให้คูมีเพชรสวยซื้อป่าราคาห้าหมืเอาเปล่าแปดพันบรักไม่มีบราักกาศนาะใครที่มาค้าขายในมัสยิดนะเพราะมัสยิดไม่ใช่ที่ค้าขาย ไม่ใช่ที่คุยเรื่องการเมืองเศรษฐกิจกแต่คุยเรื่องให้เราเข้าใกล้อัลลอฮ์สุบฮานาหุบหตาานี่กืออานสาระนะอันตูฟ่าให้ยกย่องบ้านอัลลอฮ์วายุสกาลอิสฟีฮาอิสมูรุทานางของอัลลอฮ์ต้องถูกรำเริกอยู่ในนั้นยูซบบีฮุลลาูฟีฮาเรื่องที่สามนะให้แส้สองสะดุดีอัลลอฮ์ในมสัสยิดอยในบ้านของเรา โดยเรื then, oh, oh, ่อบ oh, ้านเราต้องทหน้าท so? ี ah um ah ah ye, ่เกียรติการนะสรายการให้เกียรติอ้าวให้เกียรติบ้านทายังไงจะเข้าบ้านต้องอ่านอุอาเข้ามัซเอุอา่อ้าวเข้ามัซเอุอา่งัยนะอัลลอฮุมะฟตาฮลีอบาบราะห์มิกะนี่ให้เกียรติบ้านให้เกียรติบ้านอัลล์ส่วนบ้านเราล่ะอัลลอฮุมะอันนีอัสอลกะคอยลมาลจาวะคอยดัลมาฮ์าีบิสมิลลาฮิวลนาวะบิสมิลลาฮิรนา ว่าลลอฮิรับนาตะวักกาลนาเ อ, อ و و ๊ะทำไมอันยาวเหลือเกินอ่ะเพราะบ้านเราสิ่งสโครกมันเยอะนบีเล็สัให้อันยาวข้าวสุราอันนี่มาต้องยาวอัลลอฮุมอฟตะฮลีอบูอาบบะห์มาเลยสเกตนี่ไงให้เกียรติพอข้ามัสยิดของข้าวเดือดเท้าหลไรนี่ไงยอดฝาให้เกียมัสยิด ก่อนจะนั่งที่มัสยิดทำไงนมาศสองมรณะนี่ไงยัาฟะยกย่องให้เกียรติเทิดมัสยิดให้สูงบางเราเวลาคนไม่มีให้สลาว่าไงอัสสลามุอะลัยนาวาลาอิบาดิลลาฮิซลอเลีฮีเข้าห้องพวกเรานี่ยห้องกระพักเนี่ยไม่มีคนอยู่เลยนี่มันห้องเช่าไม่ต้องว่าเว้ยว่าแต่เราอยู่ใครอยู่ที่ไหน อัสลามุอะไลนาวาบดิลลฮิเนไงแล้วก็ในบ้านของเราพ่อมสศิษย์จะทำตัวเหมือนกันทำไง่ไหมให้มีเสียงอัลลอ์พูดถึงอัลลอ์แล้วก็สาเซสะดุกเดียรลดีไไม่ดีถ้าในบ้านมีแต่เพลงเป็นไงอ่ะดุ้มดุมดอัลลอฮ์เป็นแต่การ์ตูนการ์ตูนบ้านนี่มีบรรยากาศไหมไม่มีบรรยากาศนี่กูอาจารย์สอนเราแค่นั้น สังเกตนะในบ้านของท่านพี่น้องเนี่ยของที่มาทั้งหมดที่อยู่ในบ้านมาจากไหนตลาดมาจากเอี่ยมสมบัตกิก็เยอะมาจากซีคอนสแควร์ก็เยอะมาจากพะราได้ก็เยอะมาจากเนี่ยแถวๆนี่ริมๆเนี่ยอยู่ในบ้านเราเต็มไลหมจากตลาดทั้งหมดพ่อไปก็ขนมามะไปก็หิวมาลูกชายไปก็แบกมาเข้าบ้านาเลยนั่นเป็นวัตถุดุนยา ถามว่าเมื่อไปมัสยิดบ้านของอัลลอฮ์พาอะไรเข้าบ้านบ้างจากมัสยิดเนี่ยผมไมนนาในความว้เอาผ้าตรกลผู้หญิงไว้ที่บ้านนั่นไม่ใช่นะเอาเสือสู่เราไปไม่ใช่นะวิญญาณของมัสยิดมีอะไรกันอย่างตัศน์ศิษก็สอนในมัสยิดเอาความรู้ตรงนี้เข้าบ้านด้วยเอาไปสอนลูกสอนเพื่อมามัสยิดได้อะไรบ้างต้องถามเหมือนกันนะที่อุปมาจะเปิด ตลอดปีแหละมาเอติก้าเรื่อได้อะไรบ้างนี่ยพาเข้าบ้านหรือเปล่าต้องนึกครับพาจากตลาดมาบ้านเต็มเต็มไม่เต็มเต็มเลยหมอนก็มาจากตลาดน้ำมันใส่ตูนก็จากตลาดจากมัสยิดมีเปล่าต้องนึกใสตูนนี่ออลรอสั่งทาอย่างนี้อย่างนี้นี่าจากมัสยิดก่อนจะนอนอย่นอนตะแทงขวานี่จากมัสยิดให้อาบน้ําน้ำมาก่อนนอนมาจากมัสยิดให้แปรงฟันก่อนนอนมาจากมัสยิด ไม่ด่าคนชาบ้านต่อนหน้าลูกๆมาจากมัสยิดมาทะเลาะกับสามีภรรยามาจากมัสยิดต้องนึกถ้าในบ้านเราไม่มีรูปภาพมาจากมัสยิดเมื่อก่อนนี่รูปภาพเต็มมาเลยเดรงดาราเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้ถอทีละอันลอั น, อนความรู้เหล่านี้มาจากไหนมาจากมัสยิดมาจะมาจากสีี้องต้องเอียกแยะให้ออกจากนั้นกุร อ, อานอิยาเนียสอนเราทำบ้านของเราให้มีสามรายการก็ได้หนึ่งตุสฟะฟีฮะ ตุฟะให้ยกย่องมัสยิดของอัลลอฮวายุศกาบฟีฮาอิสมเอพระนามของอัลลออยู่ในบ้านของอัลล h และสท้ทสะดูดีอัลลอฮฺในบ้านของอัลลอฮฺรวมมาถึงบ้านของเราด้วยต่อมาครับบิลูดูยวลอซอลทั้งยามเช้าและยามเย็นมัสยิดต้องมีนมาสุโบและก็นมาฎซุริอัสรีมักริบอิชชสี ที่บ้านก็เหมือนกันใครทําภรรยาธรรมผู้ใช้มาทำที่มัสยิดของเรานี่งานความรู้จากกุราอานน่ะยามีฉะนั้นบ้านใครที่ไม่มีนมามบ้านใครที่ไม่มีเสียงอ่านอัลกุร อ, อานบ้านนั้นเปรียบเสมือนกูอะไรกูโบสุสานถ้าไม่มีนมาดไม่มีอ่านกุรอานบ้านล่างเปรียบเสมือนอะไรครับกูโบพราในบิษาุอย่างงี้ เาต่ะอาลูบุยุตะกุ้กูบูรอท่านทั้งหลายอย่าทำบ้านของท่านให้เป็นกูบเข้าใจนะอังเดรอะทีนี้คาว่าบ้านทั่วทั่วไปเรียผมไม่จะคิดเองนะท่านอักครีมะมอธิบายบอกว่าซาอุดบุย บ, บ้านมุสลิมท่านหมดทั่วโลกต้องมีสมรายการนี้เหมือนกันไม่ใช่มีของที่มาจากตลาดอย่างเดียวไม่ใช่ ต้องมาจากอัลลอ์ด้วยมาจากมัสยิดด้วยอย่างนี้เป็นต้นอัลลอฮฺอัลกุบะดีนองอแล้วก็อุลมาอธิบายอีกนะครับในบ้านของท่านต้องไม่มีมัซียัด ต, ต้องไม่มีมัซียัดมีหนังเอ็กมีหนังสือเอ็กหนังสืออะไรนะลามงลามงอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยผมไปนะมาที่บ้านนึ่งจะไปเออบ้านไหนนะในเรื่องนีมาสักยีปีแล้ว เราะวาเป็นอิหม่ามผมก็เป็นผมก็มองไปข้างหน้าผมเป็นตู้อ่ะมีขวดขวดด้านขวดเบียร์เหล้าอ่ะยี่ห้อดังอะอะไรเ็นนัซซี่อะไรผมถามนี่กเก็บว่าทำไรเมื่อก่อนนี่นะ่ะเป็นอนุสร์ว่าเคยดื่มเพราะว่าน่าจะเอาคุณอีรมาวางไว้เมื่อก่อนเคยท่องจำครมภีามันต้องเป็ยนไงว่ะย้อทิ้งไปะ ยนนอยนยนมาจับโยนทิ้งไปเห็นยังพี่น้องครับพวกเราเราเนี่ยถ้าไม่อ่านกุรานไม่ฟังอดีิษนะชอบเก็บของราเหลไว้ในตู้เย็นมีไหมมีฉะนั้นอย่าให้มีของเรานี้อยู่ในบ้านสุภานักัลลอฮุมะวับิหัมดิกาสุลเาะลิลลาอิลาอันตัสตัฟิรกะวะตูบุอิลัสก์ซุลลมัลุมะละมัตุลลบาระตา